เอาน่าล่ะเราจะได้เห็นจะได้เห็นเงื่อนเห็นไข่บางทีไม่ต้องไปยุ่งกับมันมอมยากไม่ต้องไปเป็นผู้ยากเห็นมันยากมันง่ายไปบ้านตั้งไว้ที่กายรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปก่อนวิธีปฏิบัติเหมือนเราเดินเรดงเข้าป่าเหมือนเข้าป่ามันก็ต้องมีป่าดูจากโลดดู้จากลีก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 ว่แต่ก้าว Ooooh, ไปได้เล ย, เลยความรู้สึกตัวก็เหมือนกับไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆความหลงกับหลบไปเรื่อยๆไปหาความรู้เรื่อยๆอะไรที่มันหวงหน้าขวงตาที่ไม่ใช่ความรู้เราก็มีหลักอยู่แล้วว่หลบไปเรื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการกําหนดการเคลื่อนการไหวช่วยตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเยสียก่อนไง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 ความยากความง่ายความชอบความไม่ชอบมันจะหอบเิ้วโรไปมันจะลงไปทําให้หนักแล้วไปเอาแบบนั้นมันหนักโดยเฉพาะไปเล่นกับคิดความคิดต่างๆมันขวงมันกัน้นทําให้เกิดการขวงกั้นเป็นเรื่องคิดเราเรียกว่าให้บอนและทำเหมือนภูเขาแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็พยายามที่จะขวงกั้นไว้จริงๆ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 จิตสวัสจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาอ้าวความงงเอาฮ อ, อาานอนที่มันเป็นธรรมที่มันครอบกรรมเราลองเลยสงสัยโอ้ทำก็สึกว่าทำไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขามีสติกับมาดูเทกายมันก็เห็นนะกลายเป็นปัญญาทั้งหมดเลยผ่านได้ไม่ตันถ้าเราไม่หลักแต่เราไม่มีหลักสิ่งเราเนี่ก็ตันไปเจอความ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 มันก็ไปได้มันแล้วสิ่งที่ทําได้มันกันไม่ใช่ทํำไมได้ว่าแต่เราออย่าผลผัลผนแลนอย่าบู้บู้มบาๆอย่าเลี้ยลีกหล่นหล่นคุรีคุจอจับจุดจับจับจุดจุดผิดผิดถูกถูกอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเหนือทุกอย่างมาเหนือเมฆความรู้สึกตัวมันมาเหนือเมฆ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 แล้วก่อนนี่เห็นใบบัวใบบัวมันพ้นน้าก็ะเบนนะมันพ้นน้าก็ดูขึ้นไปใบมันก็ทาเป็นอ่างเป็นอ่างเหมือนชามใบบัวที่ไม่มีรูมีโหวฝนตกลงมาเรานั่งอยู่ซาลาน้ามสิมหน้าฝนตกต้องใส่ใบบัวมันก็มีโอกาสขังน้า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 พวเรายัางมาแบบงดงดนำามาบางคนมาเป็นพ่อเป็นครัว เ, เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าลูกชายมาบวชพ่อแม่มาด้วยลูกศิษย์ลูกหามาครูอาจารย์มาด้วยเพื่อนปุงมาด้วยขับรถมาจอดปืดกติทำอย่างดีนี่ไฟฟ้าน้ำร้อนน้มอุ่นอาหารการกินมีคนมาปรุงให้ไม่เงินเม่ทอง อยากอะไรก็หามา ก, กินกันได้แต่สมัยเครื่งพระพุทธเจ้าไม่มีเด็ดขาดถึงคราวที่โอดอยากไปเป็นธรรบาดลงเลี่ยงมากก็ได้เข้าโพลกลากกินข้าวทั้งกลากเก๊าต้มลองดูสิ น, นั่นยังได้เกิดเป็นพระพระทุทธเจ้าจี่หมื่นจี่พันลูกเรานี่ยโอ้ยข้าวกล้องอย่างดีอาหารอย่างดี ย, งง ย, ยังว่ายากยังว่าทําไม่ได้อยู่